ตั้งแต่แรกๆท่านผูฟังที่พระพุทธเจ้าของเราตรัสรู้ใหม่ๆผ่านความทุกข์ทำความเพียรทุกวิถีทางละจนกระทั่งได้มาตรัสรู้เป็นส ม, มาสัมพุทธเจ้าได้กวงไม้โพลังจากที่ได้ตรัสรู้แล้วก็ยังอยู่ที่บริเวณโพธิคยาก็คือเป็นตำบลหนึ่ง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 ประมาณ100ปีมากกว่านั้นก็มีแต่ส่วนใหญ่ก็จะไม่ถึงแสดงถึงความที่มีกลุ่มมืดห่อหุ้มอยู่อย่างมากถ้าน้อยไปกว่านี้แต่จะมีสมัยที่อายุมนุษย์น้อยลงเหลือขนาด50ปี10ปีด้วยซ้ำอายุมนุษย์ในช่วงอายุหนึ่งก็แค่10ปีนะซึ่งสมัยนั้นมีพระชาไม่มีพระชามาอุบัติขึ้นเลยเน่มีไม่ได้เพราะว่ามันมืดมาก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 กลุ่มมืดที่มันห่อหุ้มอยู่แไม่เห็นมึนตึงเขาว่ายังไงก็ว่ายงั้นไม่รู้อะไรเป็นอะไรมีความทุกข์มีความเดือดร้อนวุ่นวายไปเราจะออกจากความทุกข์ความเดือดร้อนความมึนตึงความสับสนเหล่านี้ได้หนทางมีอยู่ปฏิปทามีอยู่ซึ่งตอนนั้นพระพุทธเจ้านั่งอยู่ใต้โคนไมโพสมเด็จโคดมนี่แหละ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 เรื่องของการระลึกถึงกายนะใช้กายเป็นฐานที่ตั้งในการระลึกถึงหรือว่าใช้เวทนานะเป็นฐานที่ตั้งในการระลึกถึงหรือว่าใช้จิตหรือว่าใช้ธรรมะามนะพูดง่ายๆคือสติปัฏฐานทั้งสี่นี่คือเรียกว่า ส, มาสัมมาสติการระลึกถึงกายนี่ก็อีกเหมือนกันแต่สมมติเราระลึกถึงกายโอ้กายฉันเล็บฉันมือฉันแมสวยจังเลยผมฉันสวยจังเลย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 เราจะทำธรรมะให้เกิดขึ้นในใจได้สตินี่แหละเตมฝังสตินี่แหละสำคัญมากๆเลยเราจะฝึกสติเราจะทำอย่างไรสติที่ถูกก็มีที่ผิดก็มีอย่างที่บาที่ถูกเป็นยังไงที่ถูกเนี่ยสติเนี่ยคือความระลึกได้ใช่ถ้าทำถูกแล้วเนี่ยมันจะทำให้มีความละความพอใจละความไม่พอใจนั่นคือละอภิชาละโทมนานัดได้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 นะซึ่งมันจะสวนทางกันนะกับการที่พระเจ้ า, าสอนถึงเรื่องว่าสิ่งเทั้งหลายทั้งปวงเป็นของไม่สวยงามสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงใัอนะนั้นก็ถือว่าเป็นมิจฉาสติและเรายังระลึกถึงอย่างไม่ถูกต้องถ้าเะลึกถึงอยู่อย่างถูกต้องนั่นจะเป็นใบเพื่อความคลายกำหนัดเป็นใบเพื่อความหน่ายเป็นใบเพื่อความรู้ยิง่งความรู้พร้อมและนิพพานยังไงเรียกว่าระลึกถึงอยู่อย่างถูกต้องเอาอย่างง่าย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 ปอดมันต้องฟอกเอาคาร์บอนไดออกไซด์ออกนะเอาสิ่งที่เป็นของส่งของเสียอะไรออกเอาออกซิเจนเข้าไปในเมล็ดเลือดนะผ่านไปยังเซลล์ให้มันทํางานได้ปอดนี้ก็เอาอากาศนํามาจากระบบหายใจของเราระบบหายใจมีปอดมีโพรงจมูกเป็นต้นพวกนี้ก็เป็นตัวที่ลําเลียงอากาศจากข้างนอกเข้ามาอากาศที่อยู่ข้างนอกอยู่นอกร่างกายเราเนี้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 หน้ามุกยื่นออกมานะเป็นเหมือนกับที่บังบังฝนบังแดดอะไรต่างๆเป็นจุดที่ยื่นออกมาเพื่อให้รู้ว่าเออตรงนี้เป็นทางเข้านะอาคารสถานที่บางแห่งหน้ามุกนี่ใหญ่มากจอดรถได้เป็น10บสคันอย่างตามโรงแรมหรือสถานที่ราชการแต่ในอย่างสนามบินเราเห็นหน้ามุกนี่ยาวตลอดแนวแเป็นการบอกให้รู้ว่าตรงนี้เป็นทางเข้าทางออกนี่ก็เป็นลักษณะเดียวกันเหมือนกัน ร, ร่างกายของเรามีจุดที่ยื่นออกมา เพื่อที่จะให้รู้ว่าตรงนี้เป็นทางเข้าทางออกของลมหายใจนั่นก็คือปร่งจมูกของเราจมูกของเราที่ยื่นออกมาที่พระเจ้าให้ดํารงสติเอาไว้เฉพาะหน้าอย่างคนที่ต้องการฝึกสติแบบสัมมาสติเราระลึกถึงลมหายใจเราอานาปานาสตินี่แหละแล้วก็ให้ดํารงสติเอาไว้เฉพาะหน้าจะเป็นสติแบบอานาปานาสติหรือสติแบบไหนไหนก็ให้ดํารงสติเอาไว้เฉพาะหน้า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 และตำแหน่งปริมุขหงมันก็จะแตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นเราหายใจเข้าหายใจออกให้เราทำความรู้สึกอยู่เรารู้ว่าเราหายใจเข้ารู้ว่าเราหายใจออกเราระลึกถึงลมหายใจเข้าลมหายใจออกของเราสักจุดหนึ่งเอาจุดเดียวนจุดเดียวเหมือนกับนายทวารที่เขาเฝ้าประตูแล้วเขาจะอยู่บริเวณนี้บริเวณนี้ท่านั้นบวกลบนิดนิ ด, นดหน่อยหน่เเราไม่ต้องไปกะเกณฑ์ว่าเออฉันต้องอยู่เท่านี้ตารางมิลลิเมตร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 เรียว่ามีการรับรู้ได้พอรับรู้เรารับรู้อะไรก็รับรู้ภาษสะที่เกิดขึ้นนั่นเองการรับรู้ภาษานี้ก็เป็นความรู้สึกอย่างหนึ่งเหมือนกันเป็นความรู้สึกที่เป็นสุข ก, ก็มีเป็นทุกข์ก็มีไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุข ก, ก็มีการรับรู้ตรงนี้ก็เป็นเวทนาอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นไอ้การที่เรามาสังเกตลมหายใจเนี่ยก็เป็นการที่เราพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายด้วยแล้วเจ้าลมหายใจนี้มันเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายอยู่แล้ว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 ไม่ให้มันไปคิดเรื่องที่ไม่ดีเพราะว่าถ้าเราไม่มีการควบคุมบ้างคือถ้าปล่อยให้มันเลยเตลเิดเพลิดเพลินไปเนี่ยมันก็ไม่ได้เรื่องแต่มันก็จะเหมือนกับการเพลิดเพลินลุ่มหลงไปในสิ่งต่างๆแต่เหมือนนกกระจอกที่แตกหลังออกไปต้อควบคุมไม่ได้แต่ถ้าเบิดว่าเราควบคุมบีบคั้นมากเกินไปก็เหมือนกับการบีบนกกระจาบด้วยมือทั้งสองนั่นแน่นเกินไปนกจะตายเพราะฉะนั้นถ้าจิตของเราเราจะไป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 ให้มันหมุนซ้ายหมุนขวาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้รถยนต์คันนั้นเร่งได้แรงเต็มที่เลยแ้่มันก็มีแต่ชนกับชนตลอดนั้นถ้ามันบังคับไม่ได้แต่ถ้าเราจะหยุดมันเบรคมันอย่างเดียวเดีไม่ให้มันไปไหนแล้วมันก็ไปไหนไม่ได้รถยนต์ก็ไม่เกิดประโยชน์เหมือนการจิตของเรามันมันเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวมันจะไปรับรู้มันก็มีแต่จะไม่ให้มันคิดเลยเดี๋ยวมันจะเครียดไปความคิดนึกมันเกิดขึ้นได้ เราฝึกในที่นี้พระพุทธเจ้ายังพูดถึงเรื่องของวิโตวิจารณ์ความคิดนึกที่เป็นไปทางดีก็มีสามารถสังกปากก็อย่างต้องคิดแล้วก็ยังเป็นหนึ่งในอริยามรรคเมืองแปดมันธรรมาชาติของคนไม่คิดมันไม่ได้หรอกแต่ถ้าเราจะคิดเรารู้ลมหายใจไปด้วยได้ไหมอย่างถ้าเราจะไปรู้สึกสิ่งต่างๆเรารู้ลมหายใจด้วยได้ไหมนั่นคือลักษณะการที่จิตของเรายังมีการควบคุมอยู่ เมือนก็เราผูกสัตว์เอาไว้เราสัตว์มาหกชนิดจระเข้บ้างสุนัขบ้านสุนัขปา่าลิงนกแล้วก็งูแต่ถ้าเราเอาเชือกผูกมันไว้เราเอาปลายเชือกอีกด้านหนึ่งนํ้มาผูกรวมกันไว้ตรงกลางพอมันผูกรวมกันไว้ตรงกลางแล้วปล่อยออกตัวไหนที่มีกำลังมากกว่ามันก็จะไปสู่ที่เที่ยว ท, ที่หากินของมันมันก็จะดึงตัวอื่นๆไป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 แทนี่จะผูกโรงมกันไว้ตรงกลางใช่ไหมให้มาผูกไ ว, กรร ว, ว, ว้กับเสาเกอนเสาหลักผูกไว้กับเสาเกอนเสาหลักพอเรามาผูกไว้กับเสาเกอนเสาหลักแล้วมันก็ดึงไปสิแต่ otom, ตัวไหนมีกําลังก็ดึงไปดึงไปแต่พอมันอ่อนแรงเมื่อไห ร, ร่คือถ้ามันดึงแรงมากใช่ไหมเชือกมันขาดเชือกมันขาดเราก็จับมาผูกใหม่แต่มั น, นดึงไปอีกเชือกขาดอีกเราก็จับมาผูกใหม่อีกดึงไปดึงไปมันก็จะอ่อนแรงไปเอง อ่อนแรงไปเมื่อไหร่มันก็จะมายืนเจา้านั่งเจา้านอนเจ้าอยู่ที่ข้างเสาเกือนเสาหลักมันเป็นไปได้ที่เชือกอาจจะขาดแล้วก็เปลี่ยนเชือกใหม่หรือว่าพอมันเชือกขาดปุ๊บเนี่ยมันก็จะค่อยอ่อนแรงลงละเพราะมันดึงมาอยู่เรื่อยเหมือนกันเราผูกจิตของเราไว้นะครับเสาเกินเสาหลักนั่นคือลหมหายใจเราให้มาระลึกถึงลงหมหายใจยังไงเรียกว่าผูกไว้แต่ก็คือการมีสตินั่นเองหรือจะเปรียบเทียบเสาเกินเสาหลักเนี่ยก็คือกายคตตาสติ แต่คือให้มีสติอยู่ในกายเพราะฉะนั้นการที่เรามีสติอยู่ในลมหายใจนั่นะชื่อว่าคุณผูกจิตของคุณเอาไว้ละกับเสาเขื่อนเสาหลักไอ้เจ้าตาหูจมูกลิ้นกายและใจเนี่ยมันจะมาดึงจิตแต่มนะันดึงจิตแต่ถ้าจิตถูกผูกอยูนะ่ด้วยการที่เรามีสติอยู่ในลมหายใจนะเขาดึงไปเชื่อกมันตึงนี่เชื่อกมันตึงแต่เราก็ร่วมหายใจไปด้วยก็ชื่อว่าจิตของเรานั้นมีที่อยู่ที่อย่าใส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 เชือกมันขาดไปแล้วเราก็ผูกใหม่เราเลืกได้เมื่อไหร่ให้เรากลับมามีสติวินิจวายนใจพอเราระลึกได้พรวปุ๊บนั่นทันทีมันผูกติดกับทันทีนั่นมันง่ายๆอย่างนี้แต่พอเราทําอย่างนี้แล้วไอ้สิ่งนั้นมันจะค่อยอ่อนแรงลงนะไม่ใช่ว่ามันจะดึงอยู่ตลอดมันดึงอยู่เชือกตึงบ้างเชือกขาดเชือกขาดเราก็ผูกใหม่เชือกตึงนั่นมันก็จะค่อยอ่อนแรงลง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 ให้ระรวังปฏิบัติไปอย่างนี้เป็นผู้ที่ไม่ลืมห ล, ลงหลมหายใจเป็นผู้ที่มีสติดำรงสติอยู่เฉพาะหน้าทำการสิ้นทุกข์ของเราให้เกิดขึ้นได้ในวันนี้คราพระเจ้าพระพิบาลบูร์ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีคร